แต่ถ้าหากว่าเราพบท่านแล้วเราฟังแล้วไม่เกิดปัญญาสามประ ก, การนี้ท่านก็ไม่ใช่กรลยานมิตรของเราเพราะมันไม่นำไปสู่ตัวโยนิโมนสมรดิการพอเกิดปัญญาสามประ ก, การแล้วมันจะนำไปสู่ตัวโยนิโสกคือนำไปสู่การพิจารณาและนนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนี่จึงเป็นบุพนิมิตอันแรกของธรรมก็คื อ, คอกระลาณมิตรแล้วถึงนาไปสู่โยนิโสมรสิการ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 ใช่ไหมเราก็ไปยึดมันปีตกกระมวลกับมันแต่พอเรได้ฟังได้ศึกษาแล้วมันไม่ใช่เรานี่นาะมันคืออาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับรูปเพราะกดของอะไรของไตรลักษณ์อ่าแล้วเริ่มแยกออกแล้วอ๋อไตรลักษณ์ก็คือมันรูปทุกรูปไม่ว่าหยาบกลังละเอียดต้องเป็นไปตามกฎตัวนี้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็ยอมรับว่าความทุกข์มันเกิดเพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเป็น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 ตลอดเวลาไตสีขาเกิดไหมถ้ามีสติกําหนดรู้อาการกายอาการเวทนาไตสิีขาเกิดตลอดเวลาตรงนี้เรียกว่าเกิดการสํารวมระมัระวังขึ้นมาหลังจากเราเห็นความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของกายของใจแล้วจะโยนิสูรแล้วเราก็เริ่มระวังแล้วเมื่อก่อนเราจะพูดเราพูดไปเลยเราจะทําก็ทําไปเลยเราจะคิดก็คิดไปเลยไม่เคยเห็นว่าอาการกายว า, ายใจยใจเนี่ยมันจะ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 แต่พระเราก็ไม่เคยบอกเราใช่ไหมเพราะพร ะ, พระถ้าเก่งใจยโยมถ้าพูดมากเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกับโยมนะ เ, เ, เดี๋ยวไม่ได้ของของถูกใจอย่างโยมนะถ้าไปเข้าเนื้อเข้าตัวเยอะๆก็เลี่ยกไว้น่อยแต่มาบอกตรงๆว่าเราปฏิบัติผีสิลข้อสี่มตลอดชีวิตคืออะไรพูดมากเผยเจอไราสาระฮะใช่ไหมต้องยอมรับความจริงตรงนี้ด้วยนะชีวิตจริงของเราใช่ไหม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 เมื่อไฟติดขึ้นจุดนี้ดับไม่ทันมันไหม้บ้านทั้งหลังกว่ามันจะดับใช่ไหมช่วงว่างที่มันเกิดเราไม่รู้เท่าทันกลัวมันจะดับไฟไหม้ตรงนี้เราไม่รู้เท่าทันเราดับทันไหมไม่ทันเพื่อไหม้มันดับเองเรามารู้เมื่อเห็นบ้านไปไงกลายเป็นคิดเท่าไปแล้วเมื่ออาการปวดเกิดตรงนี้เราไม่รู้เท่าทันเราดั่งแช่ไปเรื่อยๆง่วงเอ้ยงาวยเอ้ยเบื่อเอ้ยเซิงเอ้ยคิดเอ้ยฟุ้งซ่านเอ้ย